มีพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะเป็นพี่ชายของพระอนุรุท ธ, ธะเขามีหลานหลานชื่อว่าพระเจ้าวิทูตภะะ พ, พระเจ้าวิทูตภะเนี่ยที่ที่เป็นหลานลูกของนางวาสภคติยาเนี่ยไปเป็นสนมของพระเจ้าประสเสนที่โกศลคือพระเจ้าประสเสนที่โกศลเนี่ยเขาอยากจะเกี่ยวดองกับพระพุทธเจ้าพระภิกษุจะได้คุ้นเคยในวัง ก็จะได้เป็นเครือญาติทางพระพุทธเจ้านะาพระภิกษุทั้งหลายก็จะได้เข้าไปในวังสนิทหน่อยนี้ก็ทํำยังไงก็เสนอแนะว่าให้ไปข อ, อลูกนะลูกสาวของทางสักยะมาสักคนหนึ่งที่เป็นเชื้อพระวงศ์ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาสักยะนี่มานะมากในบรรดาผู้ที่มีมานะนี่ไม่มีใครเท่าสักยะอีกแล้ว เพราะฉะนั้นไอาการที่จะให้ลูกสาวที่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายให้ขัติยะจริงๆไปเนี่ยมันก็เท่าก็ดูถูกว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นตระกูลต่ํากว่าตัวเองหมายถึงว่าไม่คู่ควรแก่แก่ศักยะตระกูลแบบเราเเนี่ยนะครทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยกบิลพัฒน์นี่ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของสาวัตถีนะสมัยนั้นต้องส่งสวยให้เมืองสาวัตถีแต่ขนาดนั้นก็ยังมีมานะอีกนะ ก็เลยเอางี้ก็แล้วกันทำไงดีจะต้องเชื้อศักยะแต่ทีนี้มีแม่เป็นทาตนะมีแม่เป็นทาตมีแม่เป็นสามัญชนพระเจ้ามหานามะเนี่ยก็มีมีทาตเป็นเป็นภรยาด้วยคนหนึ่งก็ได้ลูกสาวมาชื่อว่านางวาสภาคัติยาก็เลยทรงนางวาสภาคัติยานี่ให้ไปให้ไปเป็นสนมของพระเจ้าประสิทธิ์กิโกศล นี่พออยู่ด้วยกันก็มีหลานคนหนึ่งชื่อว่ า, ามีลูกชื่อว่าเจ้าวิทูตภพะทีนี้เจ้าวิทูตภพะเนี่ยถามตลอดว่าตายายอยู่ที่ไหนเนะก็อยากสืบถามหาต้นตระกูลของสังทางแม่นะแม่ก็ห้ามปรามคอยเกียดกันไม่อยากให้ลูกไปเมืองกบิลพัทเลยแต่ในที่สุด ก็ก็ห้ามไม่ได้นะก็เลยให้เจ้าวิถูราพาเนี่ยไปนี้ไปก็ไปเยี่ยมทางสักยะที่เมืองกระบิลพัดเดินทางรอนแรมไปพร้อมกับอํามาตะคู่ใจลใหลายคนนะไปกันเยอะเลยทีนี้สักยะนี่ก็ปรึกษากันว่าลูกนางวาสพะที่เป็นธาตุเนี่ยมาจะทํำยังไงดีปรึกษากันเลยนะเป็นราชการใหญ่โตเลยก็เอางี้ก็แล้วกันให้พวก เด็กๆที่มีอายุน้อยกว่าวิทูตภะหนีไปอยู่ที่อื่นไปเที่ยวที่อื่นให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องยกมือไหว้วัฒวิทูตภ ะ, ะให้แต่คนที่มีอายุมากกว่าวิทูตภ ะ, ะนี่อยู่พันพอเจ้าวิทูตภ ะ, ะไปถึงกบิลัะเนี่ยนะต้องไปยกมือไหว้ทุกคนเลยไม่มีใครไหว้ตัวเองเลยก็เลยถามว่าพวกลูน้องๆเนี่ยไปไหนกันหมดไม่มีใครมาไหว้เราบ้างเลย แต่ก็บอกว่าไปเที่ยวที่อื่นกันหมดอะไรกันหมดเนี่ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็อยู่ในวงวงญาติเนี่ยนะซึ่งเขาก้อนรับไม่ดีนะักมันก็ไม่มีความอุ่นใจใช่ไหยก็เลยอยากแกกลับแล้วมาอยู่ล้ทีนี้ระหว่างที่กลับไปเนี่ยอามาลเนี่ยลืมดาบเอาไว้ลืมดาบเอาไว้ในในสถานที่ที่เขาจับไว้ต้อนรับเนี่ยนะอามาก็เลยกลับไปเอาดาบระหว่าง กลับไปเนี่ยก็เห็นพวกข้าทาสเนี่ยเอาน้ํานมเนี่ยมาล้างอาสนะะมาล้างเน้นจะพิเศษเฉพาะอาสนะที่เจ้าวิถูตพะพานั่งล้างไปด่าไปว่าไอ้ลูกทาสเนี่ยมันไม่น่าเลยมานั่งสูงเนี่ยนะอาม่าก็ถามว่าบ่นถึงใครก็บ่นถึงเจ้านายของเธอในไะอ้ลูกทาสนะก็อมาม่าก็เลยเล่าเอาเรื่องนั้นนะไปเล่าให้เจ้าวิถูตพะพาฟังโกรธแค้นมาก สมาทานไว้เลยว่าจะต้องเอาเลือดในลําคอของศักยะเนี่ยมาล้างตังอันนี้ให้หมดนะสมาทานมิจฉาวาจาก็เกิดขึ้นใช่ไหมสมท า, านในความเป็นคนทุศีนไม่ใช่สมาทานศีนนะสมาทานในความเป็นคนทุศีลสมาทานว่าจะต้องเอาเลือดในลําคอของลุงป้านะ้าอาทั้งหลายเนี่ยมาล้างเตียงที่แอดอ่างที่นั่งเนี่ยนะอาสนะที่นั่งให้ได้หลังจากนั้นอยู่ตอนหลังเนี่ย หลานของเสนาบดีคนหนึ่งเนี่ยนะคือเชื่อว่าพันธุละเนี่ยพันธุระเนี่ยเขาถูกคนป้ายสีว่าเป็นกบฏพระเจ้าประเสนท่โกศนนี่ก็เลยสังฆาสังฆาพร้อมทั้งลูกทีนี้พันธุละเสนาบดีมีหลานอยู่คนหนึ่งหลานนี่โกรธแค้นมากที่ฆ่าลุงของตัวเองก็เลยวางแผนปลดพระเจ้าประเสนที่โกศนแต่งตั้งให้เจ้าวิทูตภะเนี่ยขึ้นครองราชแทน พอขึ้นครองราชได้ไม่นานเนี่ยนะเจ้าวิธูถภาณีคิดถึงความหลังจะต้องเอาเลือดสักยะมาล้างที่นั่งให้ได้ก็เลยยกกองทัพไปเมืองกระบิ่ลพัดพอยกกองทัพไปเนี่ยนะก็สายสักยะโดยมากเป็นท่าอริยะกันเนี่ยท่าอริยะมันจะไปฆ่าใครได้เป็นพระโสดาบันไปแล้วนี่ฆ่าใครก็ไม่ได้ละทั้นก็เลยมีการ ยิงธนูบางก็ยิงให้เฉียวเียวรู้ว่าทางนี้ฝีมือดีนะัแต่ข้าไม่ได้นั้นตอนหลังก็เจ้าวิถูตะพาต์นี่ก็ฆ่าไปเยอะแยะไปหมดเลยใครก็ตามที่เอ่ยคำว่าตัวเองเป็นสากยะเนี่ยตายหมดนะก็ฆ่าแล้วเอาเลือดมาล้างที่นั่งเยสมใจแค้นเลยเหลือพระเจ้าตาคือมหาพระเจ้ามหานามะตอนนั้นเป็นพระสะกท า, าคามีละบอกว่าออาตอนนี้เสร็จภารกิจแล้ว ตากับหลานจะ บ, บริโภคอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันเจ้ามหานามานี่โอ้โหทําใจไม่ได้จะต้องไปนั่งกินข้าวกับลูกทาสทาั้งๆที่หลานของตัวเองนอนะเชื้อสายของตัวเองนั่นแหละมานะขนาดนั้นนะไม่ยอมนั่งโต๊ะทานข้าวร่วมกันกับหลานก็เลยเอานี้นะให้ตาอาบน้ําก่อนก็ลงไปอาบน้ําทีนี้สมัยก่อนนี่เขาไม่ตัดผมผมจะยาวแต่ก็ผูกมวยผมแล้วก็เอาเท้าเนี่ยไปเกี่ยวผมแล้วก็จะ ฆ่าตัวตายเหรอไยจะดำน้ําให้ตายไปดีว่าพญานาครับไปทันท่าสกัดทาคามีเนี่ยก็มีมานะขนาดนั้นไม่ยอมแม้กระทั่งกินข้าวกับหลานในอัศนิมานะเนี่ยหยาบมากๆท่านจึงบอกว่ามานะเนี่ยหยาบเหมือนทิฐิเลยเพราะนในตัวธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าทําให้ตัวเองเนี่ยต้องเฝ้าวัตตาได้อย่างยืดยากก็เพราะตันหามานะและทิฐิเนี่ย ท่า น, นโดยเฉพาะมานะเนี่ยนะความกั้นในการเจริญกุศลอย่างมากห้ามการเจริญกุศลมากเพราะอะไรเพราะถ้ามานะมีกำลังมากมากีม่ฟังใครก็ไม่ได้หนักๆเขาก็มานะแรงขึ้นไปก็กลายเป็นอติมานะใช่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นไปหมดเลยมานะกับอติมานะมันก็คือมานะเหมือนกันนะมานะระดับธรรมดามานะระดับหยาบขึ้นเนี่ยนะถ้ายิ่ง มีดีอยู่ในตัวหลายๆอย่างพวกนี้จะมานะมาก น, นะเช่นความอายุมากกับเขาก็ทำให้เกิดมานะได้นะอายุมากกว่า น, นะผิวพรรณงามกว่า น, นะด้วยชาติด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยผิวพรรณด้วยศิลปะด้วยวิชาความรู้ความสามารถโดยที่สุดแม้กระทั่งเป็นหัวหน้าความเป็นหัวหน้าเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดมานะหมดเลย ทนี้พอมานะเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมันเหตุใกล้ต่อโทศเรียกว่าลบเหลี่ยมกันไม่ได้นะนะก็สําคัญตัวพยองมากทันมานะนิ่ทะละได้ก็เป็นพระอรหันต์นั้นทําอันหนึ่งที่ตั้งสมาทานมันจะต้องจับมานะให้ได้ น, นะทํายังไงกําจัดมานะได้นะก็ต้องอนิจจานุปัสสนานะเมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนิจจังเกงจักละมานะได้ทั้นคู่ปฏิปัติต่อมานะจริงๆคืออนิจจัง อะ น, นั้นผู้ที่เป็นผ้าละหนันเนี่ยนะจึงกําจัดมานะได้อย่างเด็ดขาดอย่างภาษารีบุตรใช่ไหมภาษารีบุตรนี้เป็นผ้าละหันไปแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่กําจัดมานะได้อย่างเด็ดขาดท่านเปรียบตัวเองเช่นกับแผ่นดินอันะเปรียบตัวเองว่าเสมอกับแผ่นดินเปรียบตัวเองเสมอด้วยด้วยน้ําเปรียบตัวเองเสมอด้วยไฟเปรียบตัวเองเสมอด้วย ลมเปรียบด้วยโคเขาขาดเด็กจันทานผ้าขี้ริ้วเนี่ยนะพระสารีบุตรนี่ท่านเปรียบตัวท่านขนาดนั้นเนี่ยนะท่านมานะเนี่ยมันถือว่าเป็นเหตุใกล้ให้โกรธนั้นคนที่กำจัดมานะได้แล้วไม่มีมานะนี่จึงไม่โกรธมานะเนี่ยทาให้คนเนี่ยขาดเมตตาเนี่ยนะขาดเมตตาขาดความหวังดีขาดความปรานีต่อผู้อื่นก็ด้วยอำนาจของมานะนั้นพระสารีบุตรนี่ท่านทาใจว่า ท่านเนี่ยเสมอด้วยอะไรนะผ้าขี้ริ้วใช่ไหมทําใจว่าเสมอผ้าขี้ริว้วทํำใจให้เสมอกับผ้าขี้ริว้วกับทําตัวเป็นผ้าขี้ริว้วนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะทําตัวเล่เท่หมดเลยนะทำตัวเสมอด้วยผ้าขี้ริ้วก็ใช้ไม่ได้แต่ทําใจให้เสมอด้วยผ้าขี้ริ้วเป็นสิ่งที่ดีเือไม่ยกไม่ยกตัวไม่โ อ, โอ้อวดไม่มีมานะแต่มานะนี่ตัวหนึ่งนั้นคือทําให้น้อยใจ ใครไม่ทัก น, ะกนี่ก็น้อยใจแล้วเนี่ยนะเขาไม่ยิ้มให้ก็น้อยใจแล้วนนี้ลักษณะของมานะทั้งหมดนะแม้กระทั่งไหว้คนอื่นเขาไม่ไหว้ตอบนี่ก็มานะบางทีเขาไม่เห็นด้วยซ้ําไปแต่ก็น้อยใจผู้ที่มีมานะบ่อยๆเนี่ยจะน้อยใจบ่อยๆจะไ ป, ปมีปกติน้อยอกน้อยใจมีปกติพวกนี้ในที่สุดร้องเรียกหาความสําคัญเนี่ยนะร้องเรียกหาอปมเด่นหาปมเคืองหาข้อดีนะนะก็ ลำเลิกอยากให้คนอื่นเขาว่ารู้ว่าเรานี่มีดีอยู่ในตัวนะมีความพิเศษมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันพิเศษอยู่ในตัวลักษณะอันนั้นทั้งหมดนี่เป็นมานะเพราะฉะนั้นก็พยายามสรรหาความดีของตัวเองเนี่ยมามาบอกมาพูดเนี่ยนะบางทีแม้กระทั่งดีน้อยกว่าคนอื่นก็ยังพูดอี ก, ก น, นะทั้นมานะนี่แบ่งมาเป็นสามระดับใช่ไหย ม, มานะสําคัญว่าประเสริฐกว่าเขาโอ้เราเนี่ดีที่สุดเลย เสมอเขาก็พอๆกันนั่นแหละมานะอีกอย่างหนึ่งก็คือแหมเรานี่มันน้อยกับเขาขลักษณะน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยพื้นฐานมาจากมานะเนี่ยสำคัญว่าตัวเองเป็นคนพิเศษกว่ามานะเก็บความน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยก็ขณะที่น้อยเนื้อต่ําใจนี่เป็นโทสะจริงแต่มีมานะเป็นอุปนิสัยให้มานะเป็นตัวกระตุ้นให้ก็กลายเป็นคนขี้น้อยใจมานะนี้เป็นกิเลสที่ยากมาก ห้ามการเจริญกุศลมากหลายคนไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็แรงแห่งมานะเนี่ยนะหรือบางทีอ่านพระธรรมไม่ได้ก็เพราะมานะก็คิดว่าเราเนี่ยรู้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะสำคัญว่าตัวเองเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้มีความสา ม, มารถจนไม่สามไม่เจริญกุศลเนี่ยมานะเนี่ยนะมันใหญ่ถึงขนาดว่าทำให้เจริญกุศลไม่ได้ทำให้เจริญคุณงามความดีไม่ได้ปิดกั้นตัวเองที่จะ เจริญกุศลอันมานะนี่สมมาทานไว้เถอะว่าไอความสําคัญตัวนี่มันยิ่งใหญ่แต่สรุปสรุปถ้ากล่าวตามคําสอนแล้วมานะจะมีได้ก็เพราะรูปเอารูปนี่แหละเป็นเครื่องเปรียบเอาเวทนาเป็นเครื่องเปรียบเอาสัญญาเอาสังขารเอาวิญญาณเป็นเครื่องเปรียบเมื่อตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ไม่รู้จะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเปรียบกันทําไมอนะน เอาเวทนาที่ไม่เที่ยงมาเปรียบก็ไม่รู้จะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเปรียบกันทําไมถ้ามองเห็นว่ารูปขันเป็นเหมือนกับฟองน้ําก็เอาฟองน้ํามาแข่งกันฮชจะดีตรงไหนถ้าเวทนาขันเหมือนต่อมน้ำน่ะเอาเวทนามาแข่งกันทําไมถ้าสัญญาขันเหมือนพยับแดดไม่รู้จะเอาสัญญามาแข่งกันทําไมถ้าพิจารณาสังขารเหมือนกระต้นกล้วยก็แข่งกันเรื่องกาบกล้วยว่าต้นใครมีกาบมากกว่ากันต้นไหนมีกาบมากกว่ากันมีประโยชน์ตรงไหน นะถ้าวิญญาณขันเหมือนมายากลมายาก็แปลว่าหลอกลวงอ่ะนะมายามันก็คือเงาอ่ะนะก้นก็แปลว่าหลอกลวงนั้นวิญญาณนี่เป็นตัวมายากลอ่ะเป็นตัวหลอกลวงแล้วก็เอาสิ่งที่หลอกลวงมาแข่งกันทําไมนะขั้นถ้าพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่รู้จะแข่งกันทําไมบางทีก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นสิ่งที่มาแข่งกันถ้าพิจารณาว่าตาหู จะโหมเล้นกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่รู้จะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาแข่งกันทำไมอันนั้นไอ้พวกโรคน้อยเนื้อต่ำใจเป็นต้นก็จะลดลงได้ความสําคัญตนเป็นต้นก็จะถูกลดลงไปก็ต้องมาเห็นคุณว่าถ้าละมานะได้เนี่ยดีถ้ามีมานะนี้ก็เสียหายเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีมานะถึงขนาดว่าไหวพ่อก็ไม่ได้ไหวแม่ก็ไม่ได้ฟังใครก็ไม่ได้ฟังคนอื่นน่ารคาญไปหมดเลย แต่ฟังตัวเองได้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ลักษณะของมานะที่หยาบมากๆเลยเพราะที่เห็นโทษของมานะเนี่ยนะจะรู้ว่ามานะนี่สร้างความเสียหายห้ามการเจริญกุศลห้ามการอบรมสมถาวิปัสสนาห้ามการเจริญคุณงามความดีเห็นโทษมากๆขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่มีมานะเนี่ยมีเยอะจึงเป็นเหตุให้เกิดในชาติตระกูลต่ำ เพราะฉะนั้นคนที่ชาติตระกูลต่ําในโลกนี้จึงมีมากเหลือเกินเป็นเป็นผู้ที่ไปที่ไหนก็ถูกดูหมิน่นถูกเหยียดย้มถูกดูแคลนนะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผลของมานะเนี่ยนะผลของมานะกลายเป็นว่าคนเนี่ยนะถ้าอยากให้ต้องการให้คนอื่นยอมรับมากยิ่งไม่มีใครยอมรับถ้ายิ่งมีมานะมากๆก็เท่ากับต่ําลงเท่านั้นต่ําลงเท่านั้นเพราะเหตุที่ทําให้เกิดตระกูลต่ําก็เพราะอะไร เพราะไม่ไหว้คนที่ควรวายไม่บูชาคนที่ควรบูชาเป็นต้นทีนี้ไอการไม่บูชานี้เป็นเหตุให้ดูหมิ่นคนอื่นนี่สิเนี่ยนะอย่างาท่านสุเนตเนี่ยนะอดีตก็ดูหมิน่นพระปเจกพระพุทธเจ้าดูหมิ่นคนที่ควรบูชาเนี่ยนะว่าถ้าไม่มีอาชีพอะไรจริงๆก็ไปหาอุจจาระไปสมัยใหม่ก็ไปทําอาชีพดูดซ่วมไปอะไรไปเนี่ยนะทั้งไอ ร, รมวาจาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเหตุให้ตัวเองได้เกิดใน ตระกูลต่ำแม้กระทั่งสุปปพุทธกุติคนโรคเรื้อนเนี่ยก็ด้วยมานะในอดีตนั่นแหละทําให้ไปดูหมิน่นพระปเจกพระพุทธเจ้าตัวเองก็เลยเกิดเป็นคนโรคเรื้อนเนี่ยนะแล้วก็มานะเนี่ยเป็นเถตให้ดูหมิ่นเหยียดย้ำคนอื่นสิ่งที่เราดูหมิ่นคนอื่นไว้อย่างไรนั่นแหละคือเราในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่ามานะเนี่ยเป็นเหตุให้ด่าใครก็ได้มันตั้งสมาถานว่ามานะนี่เป็นเหตุให้เกิด ใ, ดใน ระกูลต่ำจะต้องสมาทานในคารวะจะนิวาโตจะใช่ไหมความสมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนพวกนี้เป็นมงคลามาณะนี่มันอัปมงคลนะเวลามันเกิดขึ้นชูในตอนต้นแต่ก็ต้องก้มตลอดไป น, นีตอนที่สมมุติว่าชาตินี้มีมานะมากชาติหน้าเกิดเป็นขอทานเป็นยาจกไงนะก็กลายเป็นคนต้องก้มตลอดเวลาเนี่ยนะก้มด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ ก็มันก็มานะอีกว่าเรานี่เลวกว่าเขานะมานะก็เป็นเหตุให้เกิดมานะหนักๆเข้าก็นั่นแหละเป็นสัตว์เลือ้อยคลามไปเลยนีนก้มตลอดกามเลยครับนี่ทําไมพระอนาคามียังมีมานะคือท่านมีมานะในความเป็นเช่นเอามานะเนี่ยเอาชานเป็นเครื่องเปรียบไอ้พวกนั้นไม่มีชานเรานี่มีชานก็ด้วยอํานาจของ มานะแต่ไม่ได้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะแต่ถึงพูดถึงคนทั่วๆไปธรรมดาเนยนะคนทั่วๆไปธรรมดาที่น้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยโดยมากมานะเป็นตัดใ จ, จแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยท่านจะมีมานะอะรระดับสูงที่เรียกว่าเอาฌานเป็นเครื่องเปรียบเอาสุขเวทนาเป็นต้นเป็นเครื่องเปรียบเอาปียรูปสาตรูปว่าบุคคลอื่นไม่มีใครได้ฌานเหมือนเราเรานี่ได้ฌานเราจะเข้าสมาธิก็ง่ายพวกนี้มันฟุ้งซ่านกันอะไรอย่างเงี้ย นั้นก็สำหรับผู้ที่ไม่เป็นธาตรหันเนี่ยนะอุปาทานขันห้าก็ยังเป็นปัจจัยแก่อากุส น, นั่นคือพิษร้ายของอุปาทานขันห้ามันสะท้อนให้เกิดบาปและอกุศลผู้ที่ทำปริญญาในอุปาทานขันห้าไม่สำเร็จก็ตามมาด้วยอากุสล